ให้นกรู้จักรู้สึกตัวอย่างนกรู้จักรู้สึกตัวอย่างนกภาว น, นาก็ดีแ่ะให้ดูไปเรื่อยนะดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมอย่าปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านนะอย่ายอมมันอย่ายอมให้มันฟุ้งไปคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดีแล้วล่วะเบางคนภาวนาเป็นเสียเลยภาวนาแล้วใจดีีไปตเตลิดเผิดเฟิงไป ใเขารู้สึกตัวอย่าทิ้งความรู้สึกตัวทิ้งความรู้สึกตัวจะเสียเลยนะอคนเมืองการส่งกันบ้านเ น, นี่แแนนนนยแต่ว่ามันต้องค่อยๆปรับไปไหลๆไปขอสุดตัวอีกข้างก็งคือบังคับซึ่งแม้ตอนนี้บังคับ เนียข้อเสียมันมีข้อดีข้อเสียนะการทําตามรูปแบบอ่ะมันทําให้จิตใจเรามีกําลังจิตใจเราตั้งมั่นพอตั้งมั่นมากไปนิดนึงนะแต่เป็นไปควบคุมมันไว้ให้เราคอยดูนะให้มันขอดีประดี๋ยวให้มันสมดุลของมันเองแหละนใจเราเดี๋ยวก็หนักไปเดี๋ยวก็เบาไปเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวบังคับเอาไว้เออ ถูกตั้งถูกตเออเสียบดีนะเหมือนคมมีดเล็กนิดเดียวออที่จริงทับเสียบให้ถูกเลยนะเหมือนปลายเฉมลงอนี้ก็ผิดตรงนี้ก็ผิดด้วยไม่ใช่ทางนี้อย่างเดียวไอนะ้ข้างหน้าข้างหลังไอ้นะข้างซ้ายข้างวาขวาพลาดเคลื่อนหมดเลยให้เราค่อยสังเกตเอาคอยรู้เอานะในสุดใจเราจะไปตั้งอยู่บนปลายเฉ็มนะไม่เคยเยื่อน กายที่ไม่ได้รักษาถ้่ยังต้องประคองอย่ต้องรักษาก็ยังไม่ใช่ของจริงนะนะรู้สึกไหมทำขึ้นมานะก็ผิดละพยายามทำมาผิดลนะตอบดีตับถูกแล้วนี่แหละเคยมาไหมคนนี้แถ้นะาสังเกตใจเราไปด้วยใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยรู้สึกไหม บ า, properly, thick, บางวันเศร้าหมอบางวันผ่องใสบางวันเบิกบานบางวันหนหูเนี่ยแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันให้ค่อยรู้ไปเรื่อยๆแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนึกออกไหมถ้าไปฝึกให้มัเร็วกว่านั้นอีกแต่ละขณะความรู Monster ้สึกเราไม่เหมือนกันขณะที่เรามองเห็นคนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งขณะไปเห็นอีกคนหนึ่งความรู้สึกก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง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 คุณไทบูนกลับมาบูนรู้สึกไหมสารัเป็นไงสารับก็อย่าอย่าปล่อยวางขนาดนั้นนะรู้เยอะๆหน่อยเนี่ยบอกรู้เท่าที่รู้ได้แวันหนึ่งรู้สองหนแบงนี้นะน้อยไปนะโลกมากๆเลย ดีแล้วสลายก็รู้สึกเลยนะอย่าปล่อยใจให้เฉ่ยนะไม่เคยรู้ไปของคุณพอดีขึ้นแล้วนะรู้สึกไหมไม่เป็นไรรู้ทันแล้วไงแต่เดิมประคองก็ไม่รู้เนี่ยนี้เผลอก็รู้จักแล้วใช่ไหมประคองก็รู้จักแล้วใจเขค่อยๆตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยดีเองแหละใจตอนนี้รู้สึกไหมมันเหมือนมีกําลังมากขึ้นแล้ว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 อย่าคุณมนทาอะไรตอนนี้ฮึแค่รู้รู้ทันนะรู้ทันไปอาจูว่าไงกใจเรานี่ยี่หวัว่ารักุเรทุกนีไ่อะเพราะว่าถ้าใจไม่มีจตปีเนจะไหที่มือตลอดเวลาชอบคือคือมันจริงๆมันวิ่งหาความสุขมันอยากได้ความสุขแต่มันโง่มันไปหาความทุกข์มาแทนมันวิ่งไปหาความตลอดเพราะว่าขขะ เออดีแล้วเออดีแล้วดูไปนะคนมีปัญญาก็จะเห็นแต่มีแต่ทุกข์ล้วนๆคนขาดสติขาดปัญญาก็เห็นลโลกนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเยไม่สุขหรอกแระวางโลกนะหลวู่เท่มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสิ้นโลกเหลือธรรมเคยได้ยินยไห ม, หไหมตอนท่านเขียนใหม่ๆนะอุย้ยฮือหามากสิ้นโลกเหลือธรรม เร ล, ลือกันบอกเนี้ยเล่มสุดท้ายของท่านแลก็สิ้นโลกไปแล้ว <c oughs> คนชอบลือแบบเนี้ยท่านอยู่มาอีเป็นสิบปีเลยเสร็จแล้วท่านก็เขียนอีกเวอร์สิ้นโลกเหลือธรรมโลกก็คือขันห้าคือกายคือใจอกองทุกข์ล้วนๆสิ้นโลกก็จะเหลือแต่ธรรมล้วนๆมีแต่ความสุขใจมันบางนะว่างเขาเองใจของเราตอนนี้รู้สึกเหมือนแอบทํางานทั้งวัน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 ก็เกิดการปรุงแต่งอวิชชาปัจญาสังขาระจะเกิดการดิ้นรนจะให้ตัวเรามีความสุขจะให้ตัวเราพน้นทุกข์วิธีดิ้นรนก็มีสามแบบดิ้นรนอย่างโง่โงเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารคือเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอย่างหมาแมวมันก็หานะอย่างแมวมันไปจับนกได้มันก็รู้สึกมีความสุขตัวกูมีความสุขแมวไม่มีปัญญารู้ว่าเราไม่มี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 เห็นว่าลำพังการรักษาใจไว้เนี่ยก็ยังไม่พ้นทุกข์ทีเดียวเพอาใจพอกระทบอารมณ์นั้นก็กระเทือนพวกนี้หาทางฝึกไปจนกรทังไม่กระทบอะไรเขาอรูปฌานเรียกว่าอเนชาพิสังขารไม่กระทบอะไรแล้วสบายนั่นก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวออกมาอีกงั้นพอมีความปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยวิญญาณก็จะหยั่งลงในภพต่างๆเช็นภพวิญญาณหยั่งลงทางตาหูจมูกลิ้นกาย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 ใช่ก็ เ, เลี้ยงมันไปเรื่อยๆอวิชาเป็นกิเลสเจตนาสามอย่างเนี้ยเป็นตัวกรรำนะเมื่อเกิดการกระทำสามอย่างนี้ก็เกิดที่บาปหนะล่อเลี้ยงกิเลสให้เยอะขึ้นอีกนะให้หนักหนาขึ้นไปอีกแน่นขึ้นไปอีกมันหนามันแน่นแต่มันไม่รู้ตัวเพมันไม่รู้สิมันถึงได้หนาคําว่าหนาเนี่ยคือคําว่าปุถุชนนั่นเองปุถุชนแปลว่าคนหนาเห็นไหม ภาษานี่มันโลงตรงรู้สึกห ม, มันหนาถ้าคนไหนกิเลสมากๆนะเวลาจิตใจแต่ละคนนะที่กิเลสานามันจะหนักมากเลยเคยเห็นไมมันเหมือนคนมันแบกครบไปด้วยแบกครกหินอ่างศีลานะนี่พวกมีกิเลสตานกลาพวกกิเลสหนาๆมันแบกครกตำข้าว <c oughs> ไปไหนเอาไปด้วยหนักอึดเลยให้คอยรู้นะรู้ลงไป พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เราทําเดินตามทางสามแบบนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งตอบสนองความไม่รู้ท่านสอนให้เราหันมารู้กายมารู้ใจเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ความจริงไม่มีเราเนี่ยวางไปจะหลุดออกไปไมันเป็นทางรอดคนนี้มาจากไหนไเออไปฝึกมาแบบไห น, ไ เ, น, นเออเรียกผ่องยุกนะไม่มีหนอ่อ ฝึกแบบพองยุบพองยุบก็ฝึกไปฝึกให้มันมีสติเราเห็นเลยที่พองที่ยุบเนี่ยเป็นรูปใจของเราคนที่รู้ที่พองที่ยุบเนี่ยเป็นนามาธรรมหัดแยากกายแยากใจนะคือไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรเนี่ยสุดท้ายต้องหัดแยากกายแยากใจให้ได้ถ้าเราแยกกายแยากใจแยกรูปแยกนามไม่ได้เนี่ยจเจริญปัญญาไม่ได้เนี่ยจะเห็นเลกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็พองเดี๋ยวมันก็ยุบ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 หรือว่าฟังในขณะที่ฟังก็ลืมรูปนั่งนะใครรู้สึกรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองไ ม, ไม่รู้สึกนะเดี๋ยวค่อยๆหัดไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละ <c oughs> นักปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกนะไม่ได้แกล้งว่านะนักปฏิบัติชอบบังคับตัวเองไม่ได้รู้กายทาําความเป็นจริงไม่ได้รู้ใจตามความเป็นจริงในตอนนี้หนี่ไปคิดแล้วทราบไหมนิดหน่อยออนิดหน่อยก็คิดนั่นแหละนะ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 นี่ก็นีไอ้คิดแล้วผู้พิพากษาเวลาเราปฏิบัติทำนะเราต้องไม่เป็นผู้พิพากษานะเราเป็นแค่คนดูผู้พิพากษาเนี่ยชอบตัดสินอันนี้ถูกอันนี้ผิดเราไม่ไม่ตัดสินนะคิดเราเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้นะรู้ตามที่เขาเป็นไม่ไปตัดสินนะว่ากิเลสไม่ดีกุศลดีอะไรเงี้ย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 เราจะฝึกจนเราตื่นเต็มที่เลยนะไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งอย่างนี้ไม่ใช่นะใช่มันแกล้งทนะํำฝึกจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยจิตใจของมนุษย์ปกติเนี่ยเป็นจิตที่เหมาะแก่การที่จะรองรับธรรมะมากที่สุดนะภูมิจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิจิตที่เหมาะกับการบรรลุธรรมมากที่สุดนะไม่ใช่ภูมิจิตของพรหมนะ เนี่ยถ้าทื่อๆแล้วบรรลุเก่งแล้วก็พระพุทธเจ้าจะตรัสสรู้ในพรห ม, มโลกเลยนี่ทําไมเลือกตรัสสรู้ในภูมิ ม, มนุษย์จิตมนุษย์นี่แหละดีที่สุดมนุษย์นี่เป็นสุขติของเทวดานะงั้นเวลาเทวดาจะตายพระโลกจะเตือนอขอให้โชคดีนะไปสุขติได้เป็นคนนะนของพวกเร า, าเพื่อนจะตายไปเป็นเทวดานะนอ้าเเพ่งไว้เพ่งไว้เดี๋ยวจะได้ไปเป็นลม ไม่พอใจสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วจิตใจมนุษย์ปกติวิเศษที่สุดละเพราะว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนแปลงให้ดูได้ทั้งวันเลยส่วนจิตของเทวดาของพรหมมันมีแต่ความสุขมันจะทือท่อๆ <tes die S 1> <tone. S 2> นิ่งๆ AG. ไปมันไม่มีใจรักให้ดูไม่เกิดปัญญาง่ายหรอกเนี่ยทาอะไรอยู่เมื่อกี้เนี่ยใจลอยรู้จักไหมเออนั่นแหละนั่นแหละเออนะเห็นไหมไหลแบบไป หน้าที่ของเรารู้เท่าที่เขาเป็นไม่ใช่แกล้งรู้ไม่ได้แกล้งทำผู้พิพากษาทำอะไร เ, เห็นไหมหนีไปแล้วใครดูนะดูไปอีกนายเราจะเป็นผู้พิพากษาชั้นเลิศเลยไม่มีอคติใจเรามีอคตินิดหนึ่งเราก็จะเห็นลเนี่ยทำอะไรหลงไปแล้วนะ อ้าวคนโน้นทำอะไรอยู่ไม่รู้เหรออย่าเปบังคับตัวเองรู้สึกไหมกำลังสร้งหน้าตั้งตาบังคับตัวเองอยู่อย่าบังคับรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะรู้ตามความเป็นจริงร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกจะเห็นเลยไอ้ที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่เป็นแค่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เรา อ้าคุณข้างหลังสองคนนะั้นมาจากไหนกันเคยมาไหมไม่เคยนะหรอฝึกมาแบบไหนอเออองยุบไม่ต้องนีหนอนนะเดี๋ยวอาจารย์ว่าก็ เ, าเรียกพองยุบนะองยุบฝึกพองยุบไปฝึกต่อไปนะแต่ฝึกให้ได้สตินั้นเรารดูท้องที่พองยุบไปเคยไม้มดูท้องพองยุบอยู่ใจนีไปคิดเรื่องอื่นเคยเป็นไหม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 จิตที่ทื่อยเป็นอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวตอนนี้ทําอะไรเมื่อกี้นี้ทําอะไรเมื่อกี้พยายามทําอะไรทราบไหมให้คอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้ทันไปเรื่อยสังเกตไม่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหม ถ้าเราอยากดูจิตก็คือเรารู้ทันใจเราหนีไปฟังก็รู้หนีไปคิดก็รู้แค่คอยรู้ทันไม่ห้ามนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามถ้าฝึกห้ามแล้วจะเครียดเนี่ยรู้สึกไหมใจหนีแวบบแวบบไปเรื่อยอย่าน้อมเข้าไปหาความซึมๆึมนะคุณเสื้อแดงอย่าน้อมใจเข้าไปคอยรู้สึกตัวไว้คุณคนนั้นนะ่ะอย่าใจลอยไปรู้สึกอ้าวจันพาใครมาวันนี้ แล้วเนี่ยมากบใทรที่นั่งกับจันเนี่ยออกมาด้วยกันแล้วนี่หลสึกอะไรมาฟงยุบเปล่าองยุบไม่เรียนยุบเนอพองหนอเดี๋ยวอาจารย์ดูเอานะเขาเรียกว่าศึกสายองยุบเนาะเ <c oughs> น, น้นอเนนี่เราเราเป็นคำพูดในะครดูไปนะร่างกายที่ฟงร่างกายที่ยุบเนี่ยรูปมันฟงรูปมันยุบนะใจเราเป็นคนดู จต้องมีใจเป็นคนดูนะถ้าไม่มีใจเป็นคนดูแยกออกมาจากรูปแล้วแยกรูปแยกนามไม่ได้ถ้าอะไรยังแยกรูปแยกนามไม่ได้จะเจริญปัญญาต่อไปไม่ได้ปัญญาขั้นต้นที่สุดเลยเรียกว่านามรูปปริเฉฏทะยายาทเห็นในรูปเป็นก็อันหนึ่งนามธรรมมันก็อันหนึ่ ง, ามมานนงนะร่างกายที่เคลื่อนไหวที่พองที่ยุบก็อันหนึ่งร่างกายที่ยกที่ย่างอะไรเนี่ก็เป็นอันหนึ่งใจอยู่ต่างหากใจเป็นคนรู้คนดูพยายามแยกกายกับแยกใจไปเรื่อยๆ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 คุณลองเพ่งอย่างตะกี้ใหม่รู้ท้องใหม่รู้สึกไหมมันเป็นการน้อมใจนะน้อมใจเนี่ยเราอย่าน้อมเข้าไปตรงนี้ถ้าเข้าตรงนี้จะได้แต่สมถะนะคุณต้องถอยใจออกมาเป็นแค่คนดูอย่าให้ใจไหลเข้าไปอย่างสะกี้อย่าให้ใจถล่มเข้าไปให้เห็นร่างกายเนี้ยมันนั่งอยู่เห็นร่างกายนี้มันทองร่างกายนี้มันยุบใจของเราเป็นคนดู เหมือนเรากำลังดูคนอื่นนะดูอยู่ห่างๆอย่าถล่มเข้าไปอย่างเมื่อกี้ที่ดูนะมันเป็นการถล่มเข้าไปรู้คุณนึกออกไหมมันคล้ายๆเราชะโงกดูอะไรที่ลอยน้ํามาแล้วเราชะโงกจะเราตกลรไปอยู่ในน้ำํำหรือเราไปดูอะไรที่ก้นบ่อน้ําชะโงกเลยตกไปอยู่ก้นบ่อแล้วเราถอยขึ้นมานะเรามาอยู่ปากบ่ออย่าให้ถล่มเข้าไปที่ก้นบ่ออย่างนี้พอเข้าใจไหม อย่าให้ตกลงก้นบ่อนะเราจะเห็นเลยว่ารูปที่เคลื่อนไหวรูปที่พองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ผิดเพียงเขาใจอยู่ต่างหากนะนมามธรรมคือใจเป็นคนรู้คนดูอยู่ห่างๆแ mm. ยกรูปแยกนามซะถ้าคุณแยกรูปแยกนามได้นะคุณจะเดินปัญญาต่อไปได้ mm. มันจะเริ่มเห็นเลยว่าไอ้ที่พองที่ยุบอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก mm. รูปมันพองรูปมันยุบรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตไปรู้เข้า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 พวกเราแล้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยเสื่อมร้อยละร้อยคือนักเพ่งพอะเราดูท้องเราก็เพ่งท้องเราดูเท้ายกเท้ายั่งเท้าเราก็ไปเพ่งเท้าจิตถลำไปอยู่ที่เท้าคุณนึกออกไหมดูท้องจิตก็ถลำไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจนะจิตถลำไปอยู่ที่ลมหายใจขยับมืออย่างลุกสิตหลงพัดเทียนขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือเรื่อรู้อีิยาบทสี่นะจิตไปเพ่งกายทั้งกายเนี่ยส่วนใหญ่พวกเรานัำปฏิบัตินะไม่ว่าจะฝึกยังไงอะ กืบทั้งหมดก็คือนักเพ่งเพราะว่าการเพ่งเนี่มันทำง่ายการรู้นี่ทํายากสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้านะก็มีแต่นักเพ่งเราคุ้นเคยที่จะเพ่งเไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกอย่างตอนนี้คุณทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ยหลงไปทราบไหมหลงไปในความคิดนะเให้รู้นะไม่ห้าม จะเห็นเลยว่าจิตเนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆคุณดูออกไหม mm hmm. ดูไปเรื่อยนะดูวันหนึ่งก็จะเกิดปัญญาเห็นวนะ่าจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองมันได้เห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเรียกว่าสักกายาทิฏฐิอิจขาดได้เป็นพระโสดาบันอ้าคุณที่นั่งข้างๆทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ย mm hmm. เผลอจับถูกใช้ได้รู้จักเผลอแล้วใช้ได้ สิ่งที่ผิดมีสองงานนะเหลือไปก็ไปเพ่งเอาไว้คุณผู้ชายเสื้อแดงหละเริ่มถลัข้าไปอีกแล้วรู้ไหมอย่าไหลเข้าไปช่องนั้นนะถ้าเข้าไปช่องนั้นได้แต่สมถะอ้าจันใส่รอยไปแล้วดู <c oughs> เขาอ้าตาลส่งกันบ้างโว้ยประโยคนี้ขี้เกียจพวกขี้เกียจีไม่อยากคุยด้วยเลย ทำ ม, มั่ง่เรื่องของคนขี้เกียจ น, นะต้องขยันนะแต่เร า, าหาความสุขหลงไปข้างนอกข้างนอกนะหลงอะไรนะว่าหลงแบบไหนนะอุย้ยเราไม่ไวัยรุ่นแล้วเรารุ่นใหญ่มากแล้ว่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วมันพลีเหตุแล้ว เอออย่าไปหลงระเลงนะเดี๋ยวผีหักคอแล้วหลวงพ่อช่วยไม่ทันนะสองคนเนี้ยเพื่อนเหรอ <c ười> เคยฝึกไหมไม่เคยฝึกเหรอไม่เคยฝึกนะแค่คอยรู้ทันใจของเราไปเป็นอย่างคนเข้ามาชมเราว่าหล่ออย่าเงี้ยใจเราพองเลยเรารู้เลยใจเราพอง คนเข้ามาว่าเรานะใจเราโมโหอะไรเรารู้ว่าโมโหให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปรู้จักดีใจไหมเคยเสียใจมหมเคยเสียใจั้ยรู้จักไ้ยเสียใจเป็นไงความรู้สึกอ่ะเคยโกรธไหมเคยสงสัยั้ยเคยอิจฉาบ้างัหยเคยเหมือนกันใช่ไ้มเคยกังวลไหมรู้ทุกอย่างเลยเห็นไหมหลวงพ่อถามตัวไหนก็รู้จักทั้งนั้นนะ ต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรกำลังเกิดขึ้นในใจเรานะ่ะคอยรู้ไวรู้ไวไหวน่อยให้ค่อยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆคุณเสื้อแดงเข้าไปเพ่งอีกแล้วอา้าวคนนี้ล่ะนั่งถัดมาถัดจากคุณเสื้อแดงเนี้ยส่งกันบ้านเล่ย ม, มันไม่ดีนะเอาอะไรมาวัดล่ะเออรู้ไม่ทันไม่เป็นไรให้รู้ก็แล้วกัน นะ่แต่ว่าต้องรู้ไว ห, หน่อยนะอย่างเมื่อวานโมโหวันนี้รู้ว่าโมโหนี้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าโมโหไปแล้วสองนาทียังไม่ทันจะหายโมโหเลยรู้ทันว่ากาลังโมโหอยู่ออย่างนี้ใช้ได้คุณเสื้อแดงอย่าไปเที่ยวหามันนะไปหาอยู่ก็รู้ว่ากําลังหาอยู่รู้ทันตัวเองเรื่อยๆเอาเอาคนนี้เสื้อสีฟ้ารู้จักใจลอยหรื อ, อยัง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 แต่ว่าจิตใจของเราแอบไปทำอะไรเราก็คอยรู้ทันไปเรื่อยๆตามที่เขาเป็นเนี่ยหนีไปคิดทราบไหมก็คอยรู้ทันถ้าเมื่อไรเรารู้ทันเราจะตื่นขึ้นมาธรรมชาติของคุณเรียนอภิธรรมหรือเปล่าฝึกพองยุกเนี่ยได้เรียนอภิธรรมบ้างไหมเรียนอภิธรรมบ้างกลับธรรมชาติของจิตเนรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวอันนี้ทราบใช่ไหม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 าการรู้ทันจิตของเราก็คือรู้นามนั่นเองนี่ยหนีไปคิดแว บ, บแล้วทราบไหมเออดีฝึกได้เก่งไปเรียนจากอาจารย์ไหนล่ะฟองยุคพื้นฐานฝึกมาดีดเออก็ดีฝึกแป๊บนะเนี่ยเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมคนะอยรู้ทนันตัวเองไปเรื่อยๆคุณไพภูึนวคนนี้ล่ะที่มีแมวกับหนูเนี่ย S <S <S <an> <S เรการตามให้เ็นธรรมชาติมันจะทำได้ไยังไงว่าธรรมชาติมันจะลงลอ่าควสุขเออใช่แล้่ีก็อยากจะแก้ให้อออออกอถ้าเาไม่มีกำลังไจว่าม่บูกแล้วเราไม่ควรคิดย อ, อ, อย่างีง้มันต้องคิดเพราะว่าเราห้ามเขาไม่ได้<ำ>จิตนะมีหน้านที่คิดเราจะสั่งไม่ให้คิดไม่ได้ กาปฏิบัติธรรมนะเช่นเมื่อตาเรามองเห็นความรู้สึกมันเกิดขึ้นเราก็รู้ทันเอ่ออย่างตอนนี้ฟังของภาพพูดใช่ไหมใจมันสงสัยแวบขึ้นมาดูออกไหมเนี่ยก็หัดดูอย่างนี้เลยตอนที่เราดูลงไปเกิดความคิดไปเรื่อยแยกออกมาดูให้ย้อนกับดูไม่ย้อนอย่าไปจงใจก็ ด, นะดูไปเรื่อยให้เห็นว่ามันไม่เชี่ยงสักอันเดียวนะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้มันแยกนะ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 แค่มีทางแยกเข้าไปก็ดูป้ายเข้าไปก็แล้วกันป้านกลาก่าวสินลินเร่ามากไม่ได้วันนี้โยมันอัดเทพมาปอย ส, ส่วนเนีย้ยไม่ทราบไม่ทราบก็ท่านท่าดนะีแต่ยุแปดสิบกวาแล้วอืม <C ute> นี่นเราปฏิบัติเ น, น, นะคะจิตมเดียคิดไป เ, ออเราเรารู้ว่าเรากำลังคิดอยู่แต่เราบอกว่ารับให้คิดหนอกุเ่เรื่องมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนคำว่าคิดหน่นะก็คือการคิดอีกอันหนึ่งเราแค่เปลี่ยนเรื่องคิดเท่านั้นเองนะคือฟังฟังหลวงพ่อลองไปพิจารณานะครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละสำนักแต่ละองค์อะไรเนี่ยท่านจะสร้างกลอุบายขึ้นมาแท็กติกอะอุบาย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 แต่ถ้าพอโกรธขึ้นมาเราโกรธเนาะโกรธเ น, อ, นอเพื่อให้หายโกรธอันนี้คือสมถะละขัดกันหลักของวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าบอกท่านสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านไม่ได้บอกว่าให้บริกรรมให้หายจากโทสะราฉะนั้นต้องแยกกันให้ออกนะว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นอุบายไม่งั้นเราจะเป็นพลาดเราจะเป็นหลงแตอุบายเั้นอย่างพอใจมันคิดเนี่ย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 หลวพอเทียบให้ฟังตอนที่เราใจลอยไปเป็นอ ก, กุศละจิตลงไปเป็นอ ก, กุศลตรงที่รู้ว่าใจลอยเนี่ยเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วตรงที่คิดว่าอะไนะเหลือหรืออะไรเสือหนอหรือเปล่าหรืออะไรคิดหนอเออตรงที่คิดหนอเนี่ยคือการคิดครั้งใหม่คือการหลงงานใหม่ละในขณะที่รู้กับขณะที่คิดเนี่ยคนละขณะกันไม่เกิดด้วยกันหรอกจิตที่รู้กับจิตที่คิดนะคนละดวงกัน อย่างคิตตอนเนี้จิตที่คิดรู้สึกไหมเป็นจิตที่คิดรู้ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็เป็นจิตที่บังคับไว้รู้สึกไหมมันเริ่มบังคับลแล้วแล้วสิ่งที่ผิดมีสองอันอนะหนึ่งเผลอไปพอรู้ทันปั๊บก็บับงคับเลยฝึกโตมาข้างบังคับเนี่จิตจะเหวี่ยงซ้ายเหี่ยงขวาอย่างเงี้ยไม่เผลอไปก็บังคับไม่เผลอไปก็บังคับหน้าที่ของเราก็คือเผลอบ่อยๆรู้บ่อยๆนจะได้รู้ขึ้นมาทีที เวลาเรานั่งเนี่ยเรารู้เราเหมุนศกจะตกร ว, วังอย่างนี้นอ่าแ้วจิตมันขาดสติละนะเราพยายามรู้สึกตัวไปเวลานั่งเนี่ยนั่งนั่งดูไปไอ้ที่นั่งอยู่นี่เป็นรูปนั่งนะเป็นรูปนั่งนะใจของเราเป็นคนดูนะให้มันมีใจเป็นคนดูนะรูปเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนดูไม่ให้มันมีสองงานนะเหมือนเรามีสองคนอนะ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 เห็นตอนเนี้ยรู้สึกไหมเป็นอยากพูดรู้สึกไหมเห็นแรงดันในอกไหมเออนี่ยแรงดันตัวนี้เรียกว่าปัญหาวิธีดูก็คือปัญหาเกิดขึ้นแล้วดูซิเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ ย, ง, ย, ง, ยงดูไปความรู้สึกตัวอื่นก็ผุดขึ้นแบบเดียวกันนี้แหละอย่างนี้พอไหวไหมต่อไปนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์ตามปกตินะมีตาเราก็ดูมีหูเราก็ฟังมีใจเราก็ชิดแต่พอ ไปดูไปฟังไปคิดแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจนะมันอย่างความอยากพูด เ, เรารู้ทันก็จะเห็นเลยเขาเกิดแล้วเขาก็ดับเขาเกิดแล้วเขาก็ดับฝึกไปอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นแต่เกิดแล้วดับนี่ทางนามธรรมานะส่วนรูปเนี่ยเราก็เห็นเกิดดับรูปที่พองก็อันหนึ่งรูปที่ยุบก็อันหนึ่งรูปยกรูปย่างก็งโพล้านกันหมดเลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันรูปไม่ใช่ตัวเร า, อาของถูกรู้ถูกดูขนาเนี้ย น, นีไปคิดแล้วทซ้ำไหม ใจจะหนีปิดคิดนะห้ามไม่ได้ใจอยากพูดดูออกไหมเออถ้อยากเออนั่นแหละดูไปธรรมะไม่ต้องถามหรอกเชื่อหลวงพ่อเถอะเห็นไหมมันตนไม่ไหวเห็นไหมกังขาอยูนั่ังขาเหรอกังขาให้รู้ว่ากังขาสงสัยอ่ะสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหลวงพ่อจะบอกอะไรให้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 <im iti ative> อนั่นแหละใจมันก็ชิดขึ้นมาอย่างที่นั่งนั่งแล้วตัวสลายไปแขนขาหายไปอะไรเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาญาณนะอันนั้นเป็นอาการของสมถะทั้งซึ้งหลวงพ่อถึงบอกไนงะคนส่วนใหญ่ที่นั่งปฏิบัติกันนะ่ะทําสมถะ <im it> นั่งบังคับตัวเองไปเรื่อย ๆ, เ, อยๆเดี๋ยวก็เกิดอาการทางจิตซึ่งเป็นอาการของสมถะเช่น <im it> ตัวลอยตัวเบาตัวหนักตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโครง ผงะรูปวาบนี่สมถะทั้งนั้นเลยเ น, น, นี่ย<ม>เผลอแล้วรู้ไหมเราอินในการเล่าแล้วรู้สึกไหมเราหลงหลงหลงนี่เรียกว่าหลงหลงทางใจหลงคิดเอยากรู้โลงปัจจุบันแต่อย่าไปหลงนะอย่าหลงนานเรียนจะหลงพ่อนะหลงพ่อเรียกร้องอันเดียดทนทนไว้นะหลวงพ่อสอนแบบโหด ร, ร้ายทารุณปกติแล้ว ดีแล้วที่สงสัยนะไม่งั้นจะไปหลงทำแต่สมถะต้องเห็นสภาวะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราใจของเราเป็นแค่คนรู้คนดูไปได้อ ย, อย่างเมื่อกี้อย่างความอยากพูดมันเกิดรู้สึกไหมมันเป็นของที่ใจไปรู้เข้าเลยแล้วมันก็ดับรูปผ่องรูปยุบก็เป็นของที่ใจไปรู้เข้าทั้งนั้นเลยอะไรๆก็ของที่ใจไปรู้เข้าทั้งนั้ น, นแล้วก็เกิดแล้วก็ดับหมดแะแหลดูอย่างนี้เรื่อยๆนะทั้งรูปทั้งนาม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 ถูกเมื่อรู้สภาวะลงปัจจุบันได้เช่นจิตกําลังสงสัยรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่นี่ปฏิบัติถูกจิตกําลังสงสัยแล้วไปคิดว่าเออเราปฏิบัติถูกไหมยิ่งคิดหนักเข้าไปอีกยิ่งไม่ถูกใหญ่เอาคุณเสื้อแดงระวังอย่าไปลงเพ่งเข้าไปข้างในซึมๆไม่ได้นะถอยขึ้นมาออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่อย่าหนีหนีโลกข้างนอกเข้าไปข้างในพยายามไปสังเกตมันแล้วทราบไหม ให้รู้ทันนะรู้ทันตัวเองอย่าไปบงังคับมันนะดูเล่นๆหนูนาทำอะไรเมื่อกี้แกล้งเ อ, อ๋อรู้รึเปล่ายชอบแกล้งเ อ, อ๋อหนูนาเ อ, อ๋อร <laughs> <laughs> แล้วสบายใจ <laughs> ไปหลบอยู่แล้วสบายใช่ไหมไม่ดีนะงางจูนวะไงจูน โยคนสุดท้ายเป็นไงบ้างโยไปฝึกอะไรใหม่กับเปล่าช่วงนี้หืมจะทำอะไรมาล่ะ <c oughs> โยนะเวลาไปฝึกมีเรียกว่าพ่อนหรือรบไม่ใช่พ่อสวรรค์นนะช่วงไหนฝึกมาสติอะไรสำให้ฉัญญ่าดีแล้วนะ ช, ชอบลองของอ่ะ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 เลิกเลยชอบลองของนะทำดีๆขึ้นมาแล้วก็ไปทดลองอะไรแปลกๆมาก่อนหน้านี้ก็ไปทดลองตามแบบห่วงโปห <c oughs> นังสือของเซนต์นะั้นต้องอ่านเพื่อให้เลิกปรุงแต่งนี่ก็ไปอ่านแล้วตีความว่อเลสิใช่ไนมไม่ใช่อ่านนะวก็ไปตีความเอานะเขอาเซนก์จะสอนเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะ ในส่วนไม่มีทางดิ้นรนใจก็หยุดใจหยุดแค่จะตื่นรู้สึกขึ้นมาทําอะไรแล้วยโยดูออกไหมจะได้จะได้ดีแล้วโยช่วงนี้ดีนะโยจะขยับอะไรก็ได้แต่ว่าพอแน่นเรารีบรวยไว้ดูแล้วเลิกไปต่อไปมันจะขยับนะั้นเห็นรูปไหวแต่ใจไม่หนักถ้ารู้ถูกต้องเนยใจจะไม่มีน้ําหนักถ้ารู้ไม่ถูกต้องใจจะมีน้ําหนัก อมไรที่ปฏิบัติแล้วใจมีน้ำหนักนะก็เป็นเครื่องชี้วัดว่าทำผิดแล้วทำผิดแล้วห้ามขยันนะทำผิดแล้วเลิกทำผิดแล้วแข็งแล้วทำไงจะเลิกแข็งแล้ว <c oughs> ก็แข็งมากขึ้นเลื่อยๆนะงั้นทำผิดแล้วห้ามขยันนะทำผิดแล้วเลิ ก, ลกแล้วรู้สึก <c oughs> ยังไงมนีไปคิดแล้วทราบไหมเนื้อ usaha ขยับใช่ไหม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 เพราะเราชอบบังคับมากเลยทำให้เคร่งเครีย์เป็นการปฏิบัติที่เหน็ดเหนื่อยน่าสงสาน